สุเมทกถาสูตรว่าด้วยสุเมทะพุทธเจ้าในสี่อสงไขยแสนกับมีนครหนึ่งชื่อว่าอมระเป็นนครที่น่าชื่นชมน่ารื่นรมใจเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำไม่ว่างเว้นจากเสียงสิประการคือเสียงช้างเสียง้าเสียงกรองเสียงสังเสียงรถ และเสียงเชื้อเชิญด้วยของกินและเครื่องดื่มว่าเชิญท่านเคี้ยวกินเชิญท่านดื่มเป็นนครที่สมบูรณ์ด้วยองคุณทั้งปวงประกอบด้วยการงานทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการคับข้างไปด้วยหมู่ชนต่างๆเป็นนครที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเทพนครเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญ เราเป็นพรามนามว่าสุเมทะอยู่ในกรุงอมระวดีสั่งสมทรัพย์ไว้หลายโกรมีทรัพ์สมบัติและธัญญาหารมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบไรเพศถึงความสำเร็จในคำพีอิติหา n ะและในธรรมของตนนั่งอยู่ในที่สงัดคิดอย่างนี้ว่าการเกิดในภพใหม่ และการแตกไปแห่งสรีระเป็นทุกข์ความหลงตายเป็นทุกข์ชีวิตถูกชรายีย่ยยีก็ครั้งนั้นเรามีความเกิดความแก่ความป่วยไข้เป็นธรรมดาเราจักสแสวงหาพระนิพพานที่ไม่แก่ไม่ตายเป็นแดนเกษมเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใหญ่ไม่มีความต้องการ ละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียมักนั้นไม่เป็นเหตุมักนั้นที่มีอยู่ก็จกมีเราจักสแสวงหามักนั้นเพื่อหลุดพ้นไปจากภพเมื่อความทุกข์มีชื่อว่าความสุขก็ต้องมีฉันใดเมื่อพบมีอยู่วิภพก็จำต้องปรารถนาฉันนั้น เมื่อความร้อนมีความเย็นอย่างอื่นก็ต้องมีฉันใดเมื่อไฟสามอย่างมีอยู่นิพพานก็จำต้องปรารถนาฉันนั้นเมื่อความชั่วมีแม้ความดีก็ต้องมีฉันใดเมื่อความเกิดมีอยู่ความไม่เกิดก็จาต้องปรารถนาฉันนั้นบุรุษผู้ตกไปในหลุมคู่เห็นสะน้ำเต็ม ไม่เข้าไปยังสระน้ํานั้นนั้นไม่ใช่ความผิดของสระน้ําฉันใดเมื่อสระน้ําอมริตมีอยู่บุคคลไม่สแสวงหาสระน้ํานั้นอันเป็นที่ชําระมนทินคือกิเลสนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของสระน้ําอมริตรฉันนั้นเมื่อทางไปมีอยู่บุรุษนั้นถูกฆ่าศึกปิดล้อมไม่ยอมหนีไป นั้นไม่ใช่ความผิดของหนทางฉันใดเมื่อทางเกษมมีอยู่บุคคลถูกกิเลสปิดล้อมไม่สแสวงหาทางนั้นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของทางอันเกษมฉันนั้นคนป่วยเมื่อหมอมีอยู่ก็ไม่ให้หมอเยียวยาความป่วยไข้นั้นนั้นไม่ใช่ความผิดของหมอฉันใดผู้มีทุกข์ ปูกความป่วยไข้คือกิเลสเบียดเบียนไม่สแสวงหาอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่ความผิดของอาจารย์ผู้แนะนำเอาเถิดเราควรเป็นผู้ไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการและทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียฉันนั้นคนปลดเปลื้องซากศพที่น่ารังเกียจ ที่ผูกไว้ที่คอแล้วไปอยู่เป็นสุขอย่างเสรีตามลังพังตนฉันใดเราไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการละทิ้งร่างกายที่เปื่อยเน่าเป็นที่รวมซากศพต่างๆนี้ไปเสียฉันนั้นคนชายหญิงไทยอุจจระลงในส้วมแล้วละทิ้งส้วมไปไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการฉันใด เราจักละทิ้งร่างกายที่เต็มไปด้วยซากศพต่างๆนี้ไปเสียดุดคนถ่ายอุจจระแล้วละทิ้งซ่วมไปฉันนั้นเจ้าของเรือทิ้งเรือที่คล่าคล่าชำรุดน้ําไหลเข้าได้ไปอย่างไม่มีความห่วงใยไม่มีความต้องการฉันใดเราจักละทิ้งร่างกายนี้ที่มีทวารก้าว มีของไม่สะอาดไหลออกอยู่เป น, นิดไปเสียดุดเจ้าของเรือละทิ้งเรือที่คล่ำคล้าไปฉันนั้นปุรุษนำสิ่งของมีค่าไปกับพวกโจรเห็นภัยคือการถูกปล้นสิ่งของจึงละทิ้งโจรไปเสียฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบด้วยมหาโจร เราจักละกายนี้ไปเพราะกลัวแต่การปล้นกุศลธรรมฉันนั้นครั้นเราคิดอย่างนี้แล้วได้ให้ทรัพย์หลายร้อยโกดแก่คนมีที่พึ่งและไม่มีที่พึ่งแล้วเข้าไปยังภูเขาหิมพานในที่ไม่ไกลจากภูเขาหิมพานมีภูเขาลูกหนึ่งชื่อธรรมิกะเราสร้างอาสมอย่างดี สร้างบรรณาสาลาอย่างดีไว้ในที่นั้นเราสร้างที่จงกรมซึ่งเว้นโทษห้าประการเป็นที่นำมาซึ่งอภิญญาพละประกอบด้วยคุณ8ประการและทิ้งผ้าสาดกซึ่งประกอบด้วยโทษ9ประการเสียแล้วน่งผ้าคากรองผ้าเปลือกไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณ12ประการ เราละทิ้งบรรณสศาลาที่ประกอบไปด้วยโทษแปดประการเสียเข้าไปอาศัยคนต้นไม้ซึ่งประกอบด้วยคุณสิบประการเราละทิ้งเข้าเปลือกที่หวานไว้ปลูกไว้เสียโดยไม่เหลือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองซึ่งประกอบด้วยคุณหลายอย่างในที่นั้น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 ในขณะที่พระชินเจ้าทรงปฏิสนธิประสูติตราสโลและแสดงธรรมเราเป็นผู้เปี่ยมด้วยความยินดีในฌานจึงไม่ได้เห็นนิมิตสี่ประการในแคว้นปัจจันตประเทศชนทั้งหลายทุนนิมนต์พระตถาคตแล้วมีใจยินดีช่วยกันแผ่ถางทางสำหรับพระตถาคตเสด็จดำเนินมา ครั้งนั้นเราออกจากอาสมของตนแล้วสลัดผ้าคากรองเหาะไปในท้องฟ้าเห็นหมูชนผู้มีจิตโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจจึงลงจากท้องฟ้ามาถามมนุษย์ทั้งหลายในขณะนั้นว่ามหาชนผู้มีจิตโสมนัสยินดีร่าเริงบันเทิงใจช่วยกันแผวถางทางสำหรับเดินเพื่อใคร ชนเหล่านั้นถูกเราถามแล้วบอกว่าพระพุทธชินเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระนามว่าทีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วชนทั้งหลายช่วยกันแผ้วทางทางสำหรับสเสด็จดำเนินเพื่อพระองค์เดี๋ยวนั้นปีติเกิดแก่เราเพราะได้ฟังคำว่าพุทโธ เราจึงกล่าวประกาศความสมณัตว่าพุโทโธพุโทโธเราทั้งยินดีทั้งตื้นตันใจยืนคิดอยู่ณที่นั้นว่าเราจะปลูกพืชคือบุญลงในที่นี้ขณะอย่าได้ร่วงเลยไปแล้วกล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายช่วยกันแพรวถางทางเพื่อพระพุทธเจ้าขอจงให้โอกาสหนึ่งแก่ข้าพเจ้า แม้ข้าเจ้าก็จะช่วยแผ้วทางทางสำหรับเสด็จดาเนินครั้งนั้นชนเหล่านั้นได้ให้โอกาสแก่เราเพื่อการแผ่วาทางทางเราแผ่วาทางทางไปพรางคิดไประพางว่าพุทโธพุทโธเมื่อโอกาสของเรายังไม่ทันเสร็จพระชิ น, นมหาโมนีพระนามว่าทีปังกรกับพระขีณาสพสี่แ 0,000 นรูป ผู้ได้อภิน ญ, ญาหกผู้คงที่ปราสาทมนทินก็เสด็จมาถึงทางการต้อนรับย่อมเป็นไปคนเป็นอันมากประโคมกลองเพรีเทวดาและมนุษย์ต่างก็มีความชื่นชมเปร่งเสียงสาธุการเทวดาก็เห็นมนุษย์มนุษย์ก็เห็นเทวดาทั้งสองพวกนั้นพากันประนมมือเดินตามพระตถาคต เทวดาทั้งหลายนำดนตรีทิพย์มาประโคมมนุษย์ทั้งหลายนำดนตรีมนุษย์มาประโคมทั้งสองพวกนั้นพากันประโคมเทพผู้อยู่ในนภาผากาต่างก็โปรยปลายดอกมณทารบดอกประทุมดอกปริชตะกะอันเป็นทิพย์ลงมาอย่างทิพย์น้อยทิพย์ใหญ่และโปรยปลายกระเจะจันและของหอมอย่างดี ล้วนแต่เป็นของทิพย์ลงมายังทิพย์น้อยทิพย์ใหญ่มนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่บนพื้นดินต่างก็โปรยปลายดอกจำปาดอกสนดอกกระทุ่มดอกกากระทิงดอกบุญนาคดอกกาละเกตลงมายังทิพย์น้อยทิพย์ใหญ่เราสยายผมแล้วลาดผ้าคากรองและหนังสัตว์ลงบนเปลือกตมแล้วนอนคว่ำหน้าลงที่นั้น ด้วยคิดว่าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกผู้เป็นศิษย์จงเหยียบเราเสด็จไปเถิดอย่าทรงเหยียบเปลือกตมนั้นเลยข้อนั้นจักเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราเมื่อเรานอนอยู่ที่พื้นดินมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเมื่อต้องการอยู่ก็พึงเผากิเรตเราได้ในวันนี้จะมีประโยชน์อะไรแกเรา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 พร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นด้วยด้วยอธิการคือกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ที่เราได้ทำแล้วในพระพุทธเจ้าทรงเป็นสูงสุดแห่งบุรุษเราจะบรรลุพระส พ, พัยุตยานจะช่วยหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามพ้นเราจะตัดกระแสสังสารวัตรทำลายภพทั้งสามแล้วขึ้นสู่ธรรมนาวา ช่วยมนุษย์ยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามพ้นอภินิหารย่อมสําเร็จได้เพราะทำแปดประการประชุมพร้อมกันคือความเป็นมนุษย์หนึ่งความสมบูรณ์ด้วยบุรุษเพศหนึ่งเหตุที่จะทําให้สําเร็จพระอรหันต์ได้ในชาตินั้นหนึ่งการได้เห็นพระศาสดาหนึ่งการบรรพชาหนึ่ง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 จงดูชะดินดาบทนี้ผู้มีตบะแก่กล้าในกับอันประมาณไม่ได้นับจากกับนี้ไปเขาจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลกพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกรกิริยาพระตถาคตจักประทรับนั่งที่ต้นอาชา ป, ปาลนิโครธ ส่งรับข้าวปลายาบในที่นั้นแล้วสเสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชะลาแล้วสเสด็จไปยังโคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จักทำประทักษิณโพที่มันอันยอดเยี่ยม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 สิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจากเป็นพระอครสาวกพระเทระนามว่าอานน์จากเป็นพระอุปถาบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเคมาเทรีและพระอุบลวานาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอระสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสสัตถพฤกษ์จิตตะขหาบดีอุบาสกและหัตถากะขหบดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจักเป็นอักรอุปาถานันทมาดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจักเป็นอักร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 สัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงโ吼ร้องกรบมือร่าเริงประนมมือนามาส ก, การว่าถ้าเราทั้งหลายจักพราดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าหน่ผู้ทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ํพาพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว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 สาวกของพระชินเจ้าที่อยู่ในที่นั้นได้ทำประทักษีเราทุกๆองค์เทวดามนุษย์อสูรยักษ์อภิวาทเราแล้วพากันหลีกไปครั้งนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่าธีปังกรทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก พร้อมทั้งประสมล่วงครองจากสุเราไปเราลุกขึ้นจากการนอนแล้วนั่งขัดสมาธิอยู่เราสำราญใจด้วยความสุขบันเทิงใจด้วยความปราโมทและดื่มด่ำด้วยปิตินั่งขัดสมาธิอยู่ในการนั้นครั้งนั้นเรานั่งขัดสมาธิแล้วคิดอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความชํา น, นาญในฌานถึงความสำเร็จอภินยา ในโล ก, กธาตุมีหมื่นจั ก, กรวาลไม่มีฤาษีผู้เสมอกับเราในธรรมคือฤทธ์ก็ไม่มีใครเสมอกับเราเราได้สุขเช่นนี้ขณะที่เรานั่งขัดสมาธิอยู่เทวดาผู้สถิตอยู่ในโล ก, กธาตุมีหมื่นจั ก, กรวาลพากันเปลงเสียงอย่างกึกก้องว่าท่านจากเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน นิมิตเหล่าใดที่เคยปรากฏในขณะที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่งขัดสมาธิอย่างประเสริฐนิมิตเหล่านั้นก็ปรากฏในวันนี้ความหนาวก็บำราดไปและความร้อนก็สงบนิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนโลกกระ t มีหมื่นจักรวาลปราศจากเสียงหมดความวุ่นวาย นิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนลมพายุไม่พัดแม่น้ำทั้งหลายก็ไม่ไหลนิมิตเหล่านั้นปรากฏในวันนี้ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดอกไม้ทั้งหลายทั้งที่เป็นพันไม้บกและพันไม้น้ำทุกชนิดต่างก็ผลิดอกในขณะนั้น แม้ในวันนี้ดอกไม้เหล่านั้นก็บานหมดทุกดอกท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนไม้เถาหรือไม้ต้นต่างก็ผลติตผลแล้วในขณะนั้นแม้ในวันนี้ไม้ผลเหล่านั้นก็ผลติตผลแล้วทุกต้นท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน รัตนะทั้งหลายที่อยู่ในอากาศและที่อยู่บนพื้นดินสว่างสวยแล้วในขณะนั้นแม้ในวันนี้รัตนะเหล่านั้นก็สว่างสวัยท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนดนตรีทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพต่างก็บรรเลงขึ้นแล้วในขณะนั้นแม้ในวันนี้ดนตรีทั้งสองอย่างนั้นก็บรรเลง ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนทิพยะบุพชาตอวิจิตต่างก็ตกลงจากท้องฟ้าในขณะนั้นแม้ในวันนี้ทิพยะบุพชาติเหล่านั้นก็ปรากฏท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนมหาสมุรย่อมกระชอนโลกธาตุมีหมื่นจั ก, กรวาลก็ไหวแม้ในวันนี้ทั้งสองนั้น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 ท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนทั้งที่ฝนไม่ตกเลยแต่น้ำในแม่น้ำกลับเอ่อขึ้นจากแผ่นดินในขณะนั้นแม้ในวันนี้น้ำในแม่น้ำนั้นก็เอ่อขึ้นจากแผ่นดินท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหมู่ดาวนพเคราะห์และหมู่ดาวนั ก, กษัตว์เปล่งประกายสว่างทั่วท้องฟ้า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 ก็หอมฟุ้งตลบไปในขณะนั้นแม้ในวันนี้กลิ่นหอมก็ฟุ้งตลบไปท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนทเทวดาทั้งปวงก็ได้พากันปรากฏกายในขณะนั้นเว้นแต่อรู ป, ปภพแม้ในวันนี้ก็ปรากฏกายอย่างนั้นทั้งหมดท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน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 แม้เราทั้งหลายก็รู้ความเพียรนั้นอย่างแจ่มแจ้งว่าท่านจักเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเราได้สดับพระพุทธดำรัสและคําของเทวดาในมื่นจักรวาลทั้งสองแล้วก็ยินดีร่าเริงบันเทิงใจได้คิดอย่างนี้ในการนั้นว่าพระพุทธชินเจ้าทั้งหลายมีพระดำรัสไม่เป็นสองมีพระดำรัสไม่เป็นโมฆะ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 พระดารัตของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนสัตว์ทั้งปวงต้องมีความตายเที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดํารัตไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพระดํารัตของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนสิ้นราตรีแล้วอาทิตต้องอุทัยแน่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 พระดำรดของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดย่อมเที่ยงแท้แน่นอนเหมือนคันแก่จะต้องมีการคลอดบุตรในคันเป็นแน่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีพระดำรัดไม่จริงเราคงจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนเอาเถิดเราจะค้นหาพุทธการลกธรรมจากสิบทิศคือข้างนี้ข้างนี้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 จึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดฐานบบรมีข้อที่หนึ่งนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญทานบบรมีเถิดหม้อที่เต็มด้วยน้ำซึ่งผู้ใดผู้หนึ่งจับคว่ำลงน้ำย่อมไหลออกหมดไม่ขังอยู่ในหม้อนั้นฉันใด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 เป็นข้อที่สองที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อบรมสั่งสมมาจึงเตือนตอนเองว่าท่านจงยึดศีลและบารมีข้อที่สองนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญศีลบารมีเธอจามารีย่อมรักษาขนหางที่ติดข้องอยู่ในที่ไรที่ไร ก็ยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้ขนหางเสียไปฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลในภูมิทั้งสรักษาศีลให้บริบูรณ์ในการละทุกเมื่อดุจจามรีรักษาขนหางฉันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้เราจะค้นหาธรรมที่เป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณอย่างอื่นต่อไปครั้งนั้น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 ถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็จงบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีเถิดภิกษุเมื่อเที่ยวบินธบาตไม่ได้เว้นว่าจะเป็นตระกูลชั้นต่ำชั้นกลางหรือชั้นสูงยอมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ฉัน้นใดท่านเมื่อสอบถามคนมีความรู้ตลอดการทั้งปวงบำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีไปเถิด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 ราชาสีพยาเนื้อมีความเพียรไม่ย่อหย่อนทั้งในขณะหมอบยืนและเดินประคองใจไว้ทุกเมื่อฉันใดท่านจงประคองความเพียรให้มั่นคงทุกภพทุกชาติบำเพ็ญวิริยะบารมีไปเถิดแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้ฉันนั้นแต่พุทธธรรมเหล่านี้จักมีเพียงเท่านี้ก็หาไม่ได้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 ครั้งนั้นเมื่อเราค้นหาอยู่ได้เห็นอธิฐานนบารมีเป็นข้อที่แปที่ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายในปางก่อนได้อกรมสั่งสมมาจึงเตือนตนเองว่าท่านจงยึดอธิฐานนบารมีข้อที่แปนี้บำเพ็ญให้มั่นคงก่อนท่านเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิฐานนบารมีนั้นแล้ว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 ปฐวีไว้สะเทือนเลื่อนลั่นเหมือนยนต์หีบอ้อยเมธนีดนวันไว้เหมือนล้อที่หีบน้ํามันบริษัทประมาณเท่าใดมีอยู่ในบริเวณรอบๆพระพุทธเจ้าบริษัทประมาณเท่านั้นสันเทานอนสลบยู่บนภาค พ, พื้นที่บริเวณนั้นหม้อน้ําหลายพันหม้อหม้อข้าวหลายร้อยหม้อหม้อใส่กระเจะและหม้อที่ใส่ เ, ลสเปลียงในที่นั้น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 ขอพระองค์ได้โปรดบรรเทาภัยที่เบียดเบียนนั้นเถิดครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าธีปังกรทรงเป็นพระมหามุนีทรงแจ้งให้มหาชนได้เข้าใจว่าในการที่พระสุทาไหวครั้งนี้ท่านทั้งหลายจงเบาใจเถิดอย่าตกใจกลัวเลยวันนี้เราพยากรณ์ผู้ใดว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าในโลก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 ขณะนั้นมหาชนได้ฟังพระดำรัสแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นทุกคนพากันมาหาเราแล้วอภิวาอีกครั้งนั้นเรายึดพระพุทธคุณทำใจให้มั่นคงนมัสการพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรแล้วลุกจากอาสนะชนสองฝ่ายคือเทพถือดอกไม้ทิพ์หมู่มนุษย์ถือดอกไม้ที่เป็นของมนุษย์ ต่างโปรยปลายดอกไม้ทั้งหลายเพื่อเราผู้ลูกจากอาสนะอันหนึ่งเทพและมนุษย์ทั้งสองฝ่ายเหล่านั้นต่างก็ประกาศความสวัสดีว่าท่านปรารถนาตําแหน่งอันใหญ่หลวงขอท่านได้ตําแหน่งนั้นตามความปรารถนาเถิดเสนียดจันไรทั้งปวงจงอย่ามีความโศกและโรคจงอย่ามีอันตรายจงอย่ามีแก่ท่าน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 ท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงบำเพ็ญบารมีสิบประการฉันนั้นเหมือนกันเถิดพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ที่โพธิมันฉันใดท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงตรัสรู้ที่ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระชินเจ้าฉั้นนั้นเหมือนกันเถิด พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงประกาศพระธรรมจักรแล้วฉันใดท่านผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่ขอท่านจงประกาศพระธรรมจักรฉันนั้นเหมือนกันเถิดดวงจันทร์ในวันเพน็ญเต็มดวงส่องสว่างฉันใดขอท่านผู้มีใจปรารถนาที่เต็มเปี่ยมแล้วจงรุ่งโรยสว่างสวัยในหมื่นจักรวาลฉันนั้นเหมือนกันเถิด ดวงอาทิตย์พ้นจากราหงแล้วย่อมไพรโรดแจ่มจ้าด้วยแสงสว่างฉันใดขอท่านจงพ้นจากโลกธรรมแล้วแจ่มจ้าด้วยสิริแห่งพระพุทธเจ้าฉันนั้นเหมือนกันเถิดแม่น้าทุกสายไหลไปสู่ทะเลหลวงฉันใดขอชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายจงพากันหลั่งไหลไปในสํานักของท่าน ฉันนั้นเหมือนกันเถิดครั้งนั้นสุเมธาดาบทนั้นอันเทวเทพและหมู่มนุษย์เหล่านั้นชมเชยสรรเสริญแล้วสมาทานธรำสิบประการบารมีสิบเมื่อจะบำเพ็ญธรรมเหล่านั้นให้บริบูรณ์จึงเข้าไปอย่างป่าใหญ่สุเมธากถาจบ